วันนี้เป็นวันพุทธที่ย0สิบพฤษภาคมพุทธศักราช 2,563 ห้าาเป็นเวลาที่เราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง มาฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรารู้ให้เราเห็นกันว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานี้เกิดมาจากสาเหตุอันใดไม่มีใครปฏิเสธว่า เกิดมาแล้วไม่มีปัญหากันทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ย่อมต้องมีปัญหากันทุกคนนับตั้งแต่ทารกแรกเกิดก็มีปัญหาแล้วคือปัญหาการหายใจออกมาจากท้องแม่ก็ต้องเริ่มหายใจเอง ถ้าหายใจไม่เป็นหายใจไม่ได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาต้องให้หมอช่วยดูแลรักษาถ้ารักษาไม่ได้ชีวิตก็ต้องสิ้นสุดลงนังบตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ทุกคนนี่เริ่มมีปัญหากันทุกคน นอกจากปัญหาจากลมหายใจเข้าออกแล้วก็มีปัญหาเรื่องปากทองเรื่องการเลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงดูร่างกายได้แล้วก็ต้องมาดูแลร่างกายป้องกันร่างกายจากภัยอันตรายต่างๆแล้วก็ต้องมา หาสิ่งต่างๆเพื่อมาให้ความสุขกับตนต่อไปการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็มักจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเช่นหาไม่ได้หายากหรือหามาได้แล้วเกิดการสูญเสียไปก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา ชีวิตของพวกเราทุกคนนี่เกิดมาเพื่อมาหาปัญหากันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสาเหตุที่พาให้เรามาหาปัญหากันหรือมาเจอปัญหากันก็เกิดจากการหาความสุขของเรานี่พวกเราหาความสุขแบบมีปัญหา คือเรียกว่าความสุขปลอมในโลกนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่ามีความสุขสองรูปแบบด้วยกันคือความสุขปลอมแล้วก็ความสุขจริงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะรู้แต่ความสุขปลอมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมคิดว่าเป็นความสุขจริงกันก็เลยมุ่งหาความสุขปลอมกันซึ่งความสุขปลอมนี้แทนที่จะให้ความสุขก็เลยเป็นการให้ปัญหากันปัญหาก็คือ ความทุกข์นี่ เ, เวลามีปัญหานี้ใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะมีความรู้สึกทุกข์กันมไม่สบายกันต้องหาวิธีแก้ปัญหากันนี่แหละคือปัญหาของพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ ม, มาเกิดเพราะ การมาหาความสุขกันแต่เป็นความสุขปลอมความสุขที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาไม่ได้เป็นความสุขแบบไม่มีปัญหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขแบบไม่มีปัญหา ความสุขแบบไม่มีความทุกนี้ไม่มีใครในโลกนี้รู้จักกันยกเว้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้ที่ได้ค้นพบความสุขที่ไม่มีปัญหาที่ไม่มีความทุกข์ตามมามนี่ละ่ะคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกัน เราจะได้เรียนรู้ความสุขที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทำอย่างไรทำให้เรามีความสุขที่ไม่ต้องมีปัญหากันความสุขที่ไม่มีความทุกข์กันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนพวกเราพวกเราก็จะ หาความสุขปลอมกันเพราะเราไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักความสุขที่ไม่มีปัญหาว่าเป็นอย่างไรความสุขที่ไม่มีทุกข์เป็นอย่างไรเรารู้จักเพียงแต่ความสุขที่มีปัญหาตามมาความสุขที่มีทุกข์ตามมา ชีวิตของเราเยต้องเจอปัญหากันต่างๆนานาตราบใดที่เราหาความสุขปลอบกันเราก็จะต้องเจอปัญหากันเจอความทุกข์กันเพราะความสุขปลอมที่เราหากันนีเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนั่นเองเป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรเป็นความสุข ประเดียบประดาเป็นความสุขแบบควันไฟเวลาที่เราได้สัมผัสกับความสุขเราก็มีความสุขกันแต่พอความสุขที่เราได้สัมผัสมันจางหายไปความสุขนั้นก็จางหายไปด้วยทำให้เรามีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ทำให้เราอยากมีความสุขอีกความอยากนี้เลยทำให้ใจของเราไม่สบายกันทำให้ใจของเราทุกข์กันเมื่อเราไม่สบายใจกันทุกข์กันเราก็ต้องกำจัดความไม่สบายใจกันกำจัดความทุกข์ใจกันโดยการไปหาความสุขอีกรอบหนึ่งนั่นเอง เช่นเราเคยเราไปเที่ยวมากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปพอเราอยู่บ้านไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกเหงาหรือบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาจึงทําให้เรา อยู่ในบ้านไม่ได้เราจึงต้องออกนอกบ้านกันเพื่อไปหาความสุขกันเราจะเห็นชัดอย่างตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโลกขนาดนี้ช่วงระยะที่สองเดือนที่ผ่านมามีการห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านกันไม่ให้ออกไปหาความสุขกันเพราะนอกบ้านมีภัยอันตราย คือมีเชื้อโรคระบาดถ้าออกไปหาความสุขนอกบ้านในช่วงนั้นแล้วถ้าไปติดเชื้อโรค ก, กลับเข้ามามันจะได้ไม่คุ้มเสียได้ความสุขชั่วคราวเดียวๆแล้วได้ได้ความทุกข์แบบยาวนานอาจจะถึงขั้นตายได้เจ็บปวดรวดแล้วทรมานร่างกาย พอการแพร่ระบาดของโลกเริ sind, ่มเผาพางลงก็อยากจะออกนอกบ้านกันอวยวายกันถ้ายังมีคำสั่งห้ามอยู่บางประเทศนี้ออกมาประท้วงกันหาว่าวิดลอนสิทธิเสรีของตนโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของผู้ที่ห้าม เพื่อที่จะปกป้องรักษาชีวิตของผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านแต่ความรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องถูกกักขังอยู่ในบ้านไม่มีความสุขภายในบ้าน ม, มีแต่ความเหงามีแต่ความว้าเหวมีแต่ความเบื่อหน่ายมันก็เลยทำให้ทนอยู่ในบ้านไม่ได้ เป็นปัญหาขึ้นมาบางคนก็ยอมยอมไปเสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะมันอยู่ในบ้านแล้วมันไม่สบายใจถ้าได้ออกนอกบ้านแล้วมันรู้สึกสบายใจถึงแม้จะติดเชื้ออันนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนอาจจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ แต่ตอ น, น, นออกไปใหม่ๆนี่ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดรู้ว่าสบายพอได้ออกนอกบ้านได้ไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆภายนอกบ้านเพียงแต่เห็นสวนสาธารณะเห็นชายหาดชายทะเลเห็นสถานที่ที่ไม่จำเจเหมือนกับที่มีอยู่ในบ้านก็เกิดความรู้สึกเบิก บ, บานใจขึ้นมา นี่แหละคือการหาความสุขของพวกเราเป็นอย่างนี้กันต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการออกไปเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวก็ต้องออกไปนอกบ้านใหม่อออกไปก็ต้องไปเสี่ยงกับภัยต่างๆแล้วบางทีบางคนไปแล้วไม่ได้กลับบ้านก็มีเยอะแยะไป ไปตายนอกบ้านกันบ้างไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปเกิดอุบัติเหตุไปเจออะไรต่างๆที่เป็นโทษกับตนเองแต่ก็พร้อมที่จะเสี่ยงเพราะความรู้สึกที่ไม่สบายใจที่อยู่ในบ้านนี้มันทนไม่ไหวกันทนกับความรู้สึกไม่ไหวกันจึงต้องออกไปเพื่อบันเทา ด้วยการหาความสุขมาเติมใหม่นี่แหละคือความสุขที่พวกเราหากันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขกลอมเป็นความสุขแบบตะครุบเงาเป็นความสุขที่เราจะไม่สามารถเก็บเอาไว้อยู่กับเราได้ไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟ ตะคุบเงาก็ลองไปไล่ตะคุบเงาดูเวลางเงามันทอดไปอยู่ข้างหน้าเราด้วยด้านไหนด้านหนแล้วลองไล่ไปลองไล่ตามมันดูไล่เท่าไหร่ก็ตามมันไม่ทันเพอเราเก้าวไปมันก็ก้าวหนีเราไปก้าวหนึ่งพอเราเก้าวสองก้าวมันก็หนีเราไปสองก้าวนี่แหละคือความสุขที่เราหากันมันเป็นแบบนี้พอเราได้มา แป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็หายไปหายไปก็ต้องออกไปหาใหม่หาใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งแล้วแล้วปัญหาที่ตามมาอีกก็คือการที่จะไปหานี่มันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือคือต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงะ มีตาหูจมูกริ้นกายที่สมบูรณ์ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการก็จะยากต่อการหาความสุขพอร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเราเป็นปัญหานี้เราต้องไปแก้ปัญหากันแล้วตาไม่ดีก็ต้องไปหาหมอตาหูไม่ดีก็ต้องไปหาหมอหูกันหูตาจมูกใช่ไหม จมูกไม่ดีก็ต้องไปหาหมอจมูกกันลิ้นไม่ดีก็ต้องไปหาหมอลิ้นกันร่างกายที่สัมผัสกับสิ่งต่างๆเป็นอะไรไปก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยแก้ไขกันนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้หาก็เป็นปัญหาความสุขที่เราหาก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วจางหายไปหมดไม่สามารถเก็บเอาไว้ให้ความสุขกับเราในยามที่เราไม่ได้ออกไปนอกบ้านได้ถ้าเราไปข้างนอกถึงแม้เราจะพยายามถ่ายรูปอัดเสียงกลับมากลับเข้ามาเวลาอยู่ในบ้านเวลารู้สึกเหงาก็เปิดดูภาพดูรูปถ่ายทั้งวีดีโอทั้งภาพนิ่งทั้งเสียง ดูแล้วมันก็ยังไม่เหมือนกับของจริงก็พอแก้เหงาแก้ขัดไปได้บ้างเล็กน้อยแต่พอดูบ่อยๆเข้ามันก็จำเจมันก็เบื่อเบือ่อไหนมันซ้ำซากมันก็ต้องดินออกไปให้ได้ถึงจะมีความสุขได้อีกนี่แหละคือปัญหาของพวกเรา แล้วก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปจนวันตายเพราะว่าเราจะต้องดิ้นหาความสุขกันอยู่เรื่อยเพราะความสุขที่เราหามาได้ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามความสุขทางตาความสุขทางหูความสุขทงาขทงจมูกทางลิ้นทางร่างกายหามาได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ จนกว่าจะหาไม่ได้แล้วก็ต้องเจอวันที่หาไม่ได้วันที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนนอนในโรงพยาบาลวันที่แก่ชราเดินไปไหนมาไหนไม่ได้นั่งรถต้องนั่งรถเข็นไปไหนก็ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ช่วยเข็นไปพาไปไปแบบทุรักทุเลความสุขที่ได้ก็แบบทุรักทุเล ดีไม่ดีบางทีเหนื่อยทนไม่ไหวก็อยู่บ้านดีกว่าออกไปมันทุลักทุเลมันทุกข์มากกว่าอยู่บ้านเลยตัดสินใจยอมอยู่บ้านดีกว่า <c oughs> แล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปตายไปแล้วไม่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปกับความตายของร่างกายเพราะผู้ที่หาความสุขนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้ที่หาความสุขพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกาย <โ bür S 2> พวกเราเป็นผู้ที่หาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพวกเรานี้เราสมมุติเราใช้ชื่อว่าใจหรือจิตจิตใจนี่แหละคือพวกเราผู้ที่คอยสั่งให้ร่างกายพาเราไปหาความสุขกันเราอยากจะดูเราก็สั่งให้ร่างกาย พาเราไปดูอยากจะฟังเราก็สั่งให้ร่างกายพาเราไปฟังเ <c oughs> นี่ยร่างกายไม่ได้เป็นผู้หาร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่เฉยๆได้เขาไม่ดูไม่ฟังไม่ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นได้เขาไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือเรานี่แหละผู้ที่ใช้ร่างกายให้ไปหา รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสพมาให้เราสัมผัสเพื่อทำให้เราเกิดมีความสุขขึ้นมา เ, เรานี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เ, เวลาร่างกายตายไปเขาก็เปลี่ยนชื่อเราว่าเป็นดวงวิญญาณกันพ อ, อ, อ, อ, อ, อตายไปเขาก็อุทธธิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปใช่ พวกเราเนี่ยแหละคือดวงวิญญาณเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจจิตใจเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวนะจิตใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพื่อตอบสนองตัณหาความอยากของจิตใจนี่ตัณหาความอยากของจิตใจก็มีอยู่สามกลุ่มสามหัวข้อใหญ่ๆ หัวข้อที่หนึ่งก็คือความอยากในกามคือกามะคุณหา้าเรียกว่ากามะตันหาตัญหาแปลว่าความอยากกามแปลว่ากามะคุณหา้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่พวกเราใช้ตาหูจมูกรินกายของร่างกายเป็นเครื่องมือเสพกัน พวกเรามีกามตัะหากันทุกคนเราจึงต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมาเสพกันเราเป็นเหมือนพวกติดยาเสพติดนะยาเสพติดของพวกเราก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะนี่เองที่เราเสพกันทุกวันเดี๋ยวก็ดูนั่นเดี๋ยวก็ฟังนี่เดี๋ยวก็ลิ้มรส ด, ดมกลิ่น อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้เดี๋ยวก็ต้องต้องเนื้อต้องจับเนื้อต้องตัวกันเวลา เ, วเราจับเนื้อต้องตัวกับคนที่เรารักเราชอบเราก็เกิดความสุขกันขึ้นมานี่เรียกว่าเกิดจากกามตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสพวดทพะ แล้วเราก็มีความอยากอีกแบบหนึ่งเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีความอยากมีก็มีหลายระดับระดับต่ำก็คืออยากมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆมาบำรุงบำเรเลอจิตใจของพวกเราให้มีความสุขกันอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาแบบต่ำแบบทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทางตาหูจมูกมืนกายแล้วก็มีภาวะตัณหาแบบสูงคือการอยากจะมีความสุขจากความสงบของใจอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาเหมือนกันการอยากมีความสุขจากความสงบของของใจในระดับต้นเรียกว่ารูปปัจจานสีภาวะตัณหานี่ก็คือเป็นความอยากที่ได้ความสุขในระดับต้นในระดับสูง ระดับต่ำก็คืออยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายไม่อยากเป็นลูกน้องอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะสวยอยากจะหล่ออย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแบบต่ำความอยากระดับร่างกายส่วนความอยากระดับจิตใจก็คืออยากได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งภาวนาสมถภาวนา ถ้านั่งภาวนาเป็นมีสติควบคุมใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบของระดับรูปปัจจานเป็นเบื้องต้นนะพอได้ความสุขแบบรูปปัจจานแล้วก็จะเกิดความอยากได้ความสุขที่ละเอียดกว่าความอยากของรูปปัจจานเราก็เรียกความอยากแบบนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหาความไม่อยากได้รูปปัจจานความอยากได้รูปปัจจานแทน ถ้าในระดับต่ำก็คือความอยากเคยได้ในได้เป็นในร้อยก็ไม่อยากเป็นในร้อยแล้วอยากจะเป็นในพันขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่เป็นในร้อยไม่พอใจแล้วอยากจะเป็นในพันขึ้นมาอยากจะได้อะไรที่สูงกว่าที่ดีกว่านี่คือความอยาก แบบที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นแล้วไม่พอใจเป็นในร้อยแล้วไม่พอใจอยากจะเป็นในพันอันนี้ถ้ามีความพอใจก็ไม่มีความอยากจะเป็นในพันใช่ไหมหถ้ามีความพอใจเป็นในร้อยแล้วไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความอยากที่จะไปเป็นในพันได้อันนี้ก็เปรียบเทียบพูดตัวอย่างให้ฟัง ถึงความอยากที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่ส่วนใหญ่ความอยากของพวกเราจะอยู่ในระดับต่ำกันคือเรียกว่าระดับร่างกายความอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะความอยากมีอยากเป็นผ่านทางร่างกายเช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากหล่ออย่างนี้ แล้วความไม่อยากก็ก็เป็นทางร่างกายเวลาไปสัมผัสกับอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความไม่อยากขึ้นมาได้ยินเสียงไม่ถูกใจก็อยากให้มันหายไปอยากจะหนีจากมันไปเช่นเสียงคาราานินทาเสียงตำหนิติเตียนสังเกตดูเวลาเราเจอใครตำหนิติเตียนเหล่านี้เราจะไม่อยากจะอยู่กับเขาเลยไปดีกว่า แต่ถ้าเราได้สัมผัสกับคําชมเชยนี่โอยไม่อยากไปแร้วอยากจะอยู่กับเขาไปนานๆอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหากับ ว, วิภาวะตันหาในระดับต่ำํำในระดับสูงก็ระดับจิตใจภาวะตันหาก็คือความอยากได้ความสงบของระดับรูปปัจจานพอได้รูปปัจจานแล้วรู้ว่ามีความ สงบที่ละเอียดกว่าก็อยากจะได้ความสงบที่ละเอียดกว่าก็จะเกิดวิภาวะทันหาขึ้นมาอยากได้ความสุขที่ละเอียดกว่านี่หละคือสิ่งที่เป็นตัวตักดันให้พวกเรามาหาความสุขกันความอยากทั้งสามนี้แล้วความสุขทั้งสามระดับนี้ก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตา ได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นลดมากน้อยเพียงไรได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ร่ำได้รวยเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปได้ความสวยความงามความหล่อความอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็หมดไปทุกอย่างมันต้องเสื่อมลงนี่คือความสุขที่มนุษย์ทั้งหลายหากัน พวกที่หาความสุขแบบละเอียดก็หาความสุขจากรูปประจานบ้างจากอารูปประจานบ้างรูปประจานก็เป็นของชั่วข่าวเหมือนกันอารูปประจานก็เป็นของชั่วข่าวเหมือนกันเข้าสมาธิได้รูปประจานพอออกจากสมาธิรูปประจานก็หายไปเข้าสมาธิเพื่อเสพอรูปประจานพอออกจากสมาธิรูปปัจจารูปประจานก็หายไป ก็ต้องคอยกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาออกมาแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่อยู่ในข้างในสมาธินั่นเองนี่คือความอยากที่ไม่ได้หายไปกับความตายของร่างกายเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายดวงวิญญาณนี้ไปกับความอยากทั้งสามนี้มีความอยากทั้งสามนี้เป็นตัวผลักดัน ให้ดวงวิญญาณนี้ไปหาความสุขแบบที่เคยหาต่อไปผู้ที่เคยหาความสุขแบบหยามแบบตาหูแบบรูปเสียงกลิ่นรสทางทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไปหาร่างกายผู้ที่หาความสุขจากรูปประชานก็เช่นเดียวกันแต่เวลาได้ร่างกายแล้ววิธีหาความสุขจะต่างกันพวกที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะ อยู่เป็นคารวะผู้ของเรือนส่วนผู้ที่หาความสุขจากรูปปัจานกับอรูปปัจานก็จะไปอยู่แบบนักบวชทำไมเราจึงมีนักบวชกันทำไมทุกคนเกิดมาทำไมไม่เป็นคารวะกันทั้งหมดหรือว่าไม่เป็นนักบวชกันทั้งหมดทำไมมีแบ่งแยกกันทำไมบางคนเป็นคารวะทำไมบางคนเป็นนักบวชก็เพราะว่ามีความอยากหาความสุข โดยวิธีที่ต่างกันนั้นเองคนที่เคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็จะกลับมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใหม่คนที่เอยหาความสุขจากรูปประจานก็จะกลับมาหาความสุขจากรูปประจานใหม่คนที่เอยหาความสุขจากอารมูปประจานก็จะกลับมาหาความสุขจากอารมูปประจานใหม่เกิดมาแล้วก็มักจะเป็นนักบวชกัน บวชช้าบวชเร็วก็ขึ้นอยู่กับภาวะเหตุการณ์ตัวที่จะมากระตุน้นเพราะในช่วงที่เป็นเด็กนี้อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ที่ยังเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นลดเยอะก็จะดึงให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไปเจอเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้จิตสงบขึ้นมาก็ จะทำให้ฟื้นฟูความความความความจำเก่าความสุขเก่าที่เคยได้ว่า อ, อ๋อความสุขเก่าที่ได้จากความสงบนี่ดีกว่าอย่างไรก็จะไปบวชกันบางคนก็เกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ส่งไปบวชตั้งแต่เด็กเป็นเป็นเนนถ้าไปอยู่ประเทศที่มีพุทธศาสนา หรือมีศาสนาที่สอนให้เด็กสอนให้คนปฏิบัติภาวนากันแต่ถ้าไปอยู่ในประเทศที่ไม่มีใครสอนถึงแม้ว่าตนเองจะมีอาจจะไม่มีอะไรมากระตุน้นเหมือนกับมาจุดไฟเก่าไฟเก่าที่มอดไปไม่มีใครมาจุดให้มันลุกขึ้นมาใหม่อาจจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างบางอย่างทำให้มันคนคว้าหามัน เช่นหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วไม่ประทับใจก็จะค้นคว้าหาศึกษาถามคนนั้นถามคนนี้ดูแล้วไม่ช้าก็เลยวอาจจะมีคนบอกให้ hey, ไปอยู่คนเดียวสิถ้ามึงหาความสุขกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ดีหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ดีลองไปอยู่คนเดียวสิะโลกที่ไปอยู่เป็นฤๅษีชีภัยนี้ก็เกิดขึ้นได้ะ พวกนี้เขาก็ไม่มีความทับใจกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พอเขาไปอยู่แบบฤาษีชีพายอยู่คนเดียวมีทุกแห่งทุกประเทศคนที่ชอบเป็นคนจอนจัดอยู่คนเดียวเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แบบมีครอบครัวมีอะไรผูกพันต่างๆชอบอยู่แบบอิสระภาพพวกนี้เขาก็ ไม่ค่อยมีความสุขจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเขามีความสุขจากการอยู่คนเดียวอิปิกวิเวกอยู่กับความสงบของใจเขานี่แหละคือใจของแต่ละคนที่จะต้องดิ้นหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆโดยผ่านทางร่างกายพอร่างกายเก่าตายไป ก็ไปเข้าคิวรอเกิดรอรับร่างกายอันใหม่และช่วงที่ไม่มีร่างกายก็ขึ้นอยู่กับอยู่แบบบุญกับบาปจัดสรรให้ถ้าทำบุญถ้าเข้าฌานได้ก็จะไปอยู่รูปภพถ้าเข้าารูปฌานได้ก็จะไปอยู่อรูปภพถ้าทำบุญทาทานมีบุญมีศีล รักษาใจก็ไปอยู่แบบเทวดาถ้าไม่ทำบุญทำทานไม่มีศีลรักษาใจทำบาปเป็นอาจินก็ไปอยู่กับพวกเปรตอยู่กับพวกอรสุนลกายอยู่กับพวกนรกหรือถ้าได้ร่างกายก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานจะยังไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จนกว่าบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้นั้นมันหมดกาลังลง ไม่สามารถส่งให้ไปอยู่กับพวกสัตว์ที่อยู่ในอบายได้เท่านั้นถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วพอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มาหาความสุขแบบที่เคยหาต่อไปเคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดก็จะกลับมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดเคยหาความสุขจากรูปประชาน naval, าาก็จะกลับมาหารูปประชาน เคยหาความสุขจากอารูปประชานก็จะกลับมาหาอารูปประชานกันใหม่ก็จะวนไปเวียนมาอย่างในไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องมาเจอกับปัญหาต่างๆที่ทุกคนเจอกันอย่างในขณะนี้จะทุกคนเกิดมาเบื้องต้นกับปัญหาเลียเ้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่รอดนะ พออยู่รอดแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆแล้วก็ไปเจออุปสรรคต่างๆในการหาบ้างในการรักษาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไว้เพื่อให้เราได้หาความสุขได้อย่างต่อเนื่องกันไปนี่แหละคือชีวิตของสัตว์โลกที่มาเกิดที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไต่ภพนี้เป็นแบบนี้ สาเหตุท่อไปหาความสุขแบบความสุขปลอมนั่นเองความสุขที่เกิดจากความอยากของใจก็เลยไปหาความสุขตามความอยากของใจซึ่งเป็นความสุขที่เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงมันก็ทุกขังทุกขังก็แปลว่าปัญหาเวลามันหมดมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาเวลาไปเที่ยวก็มีความสุข เวลากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปพอความสุขได้ที่ได้มาหายไปก็เกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาก็คืออยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องออกไปหาความสุขกันใหม่ก็จะวนไปเวียนมาอย่างนี้ไปจนถึงเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายไปส่วนพวกที่หาความสุขจากรูปประนชาญกล่าวรูปปันชาญก็มีปัญหาน้อยหน่อย เพราะว่าไม่ต้องใช้เครื่องมือมากในการหาความสุขเองแต่ไปหาที่สงบแล้วก็นั่งหลับตา<ม>ก็สามารถเข้าหาความสุขแบบสงบได้แต่ก็ยังเป็นความสงบความสุขแบบชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องออกมาจากสมาธิออกมาจากสมาธิก็ต้องมาเ จ, เจอสภาพปัญหาของร่างกายร่างกายก็ต้องหิวบ้างหิวน้ำหิวอาหารบ้าง แรือมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บ้างเจ็บไข้ได้ปวด่วยหรือถ้าร้ายกว่านั้นก็อาจจะพิกลพิการเป็นอะไรไปรก็ยังต้องเป็นปัญหาอยู่เพราะยังต้องมีต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยู่เหมือนกันปัญหาเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็น ซึ่งพวกเรานี้ไม่กลับไม่เห็นว่าเป็นปัญหากันกเราถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดากันถ้าเป็นปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรก็เลยไม่คิดจะไปไปคิดให้มันเสียเวลาเปล่าๆรู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วจะทำยังไงแก้ไม่ได้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเท่านั้นเองถ้าตาเป็นอะไรก็ไปหาหมอตาไปหูเป็นอะไรก็ไปหาหมอหูกันไปเท่านั้นเอง แต่จะแก้ปัญหาแบบราบคาบให้มันหมดถอนรากแบบถอนรากถอนโคนนี้มันไม่รู้วิธีแก้อย่างไรเพราะวิธีเราแก้นี้เราแก้แบบชั่กข่าวมีปัญหาตรงไหนเราก็ไปแก้ตรงนั้นแต่ปัญหาตัวตัวหลักนี้เราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตัวปัญหาตัวหลักที่พายเรามามีปัญหากันก็คือตันหาทั้งสามนี่แหละ กามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่หลังจากได้ศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ส่งคนพบต้นตอของปัญหาทั้งสามต้นตอของปัญหาของชีวิตว่ามันไม่ได้มาจากอะไรเลย มันมาจากความอยากสามตัวนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะความอยากมีอยากเป็นอยากมีความสุขแบบได้แบบหนึง่งความอยากมีความสุขแบบไม่มีไม่ต้องมีอะไรมีภาวะตัณหาอันนี้ต้องกำจัดมันถ้าจะทำให้ปัญหาหมดไป วิธีที่จะกำจัดมันพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าต้องสอนใจให้รู้ทันไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆโดยการเห็นโทษของการที่ไปทำตามความอยากต่างๆว่าจะได้ทุกข์กลับมามากกว่าได้สุขจะได้ความสุขในเบื้องต้นแล้วก็จะได้ความทุกข์ตามมาต่อไป เพราะความสุขที่ได้มันจะเปลี่ยนไปมันจะหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขในรูปแบบใดมีความทุกข์ตามมาทั้งนั้นเพราะความสุขที่ไปหามานี้มันเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่เที่ยงท่านจึงสอนให้เราหัานมันพิจารณาความไม่เที่ยง มันพิจารณาถึงปัญหาที่จะตามมาต่อไปจากการไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราเพราะนอกจากที่เขาจะให้ความสุขกับเราแล้วเขาอาจจะพลิกมาให้ความทุกข์กับเราต่อไปอีกเพราะเขาก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเลยเห็นคนสวยคนงามคนรูปลอเราก็อยากจะได้เขามา อยู่กับเขาไปแล้ววันดีคืนดีเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็แก่ลงไปแก่ลงไปความสวยความหล่อก็ค่อยหายไปกลายเป็นความแก่ขึ้นมาบางคนถ้าไม่ชอบความแก่ก็ทิ้งกันอย่า ก, กันไปหาคนหนุ่มคนสาวใหม่กันเห็นไหมเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขมไม่เหมือนตอนที่อยู่กันตอนหนุ่มตอนสาว พอแก่แล้วเริ่มแก่แล้วมองแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีความประทับใจก็ไม่อยากจะอยู่ร่วมกันพอยายกันก็ทุกข์เห็นไหมพอเกิดความเบื่อหน่ายอยู่ด้วยกันแล้วเบื่อหน่ายเวลารักกันนี่โอ้ยมีแต่ความสุขชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกตอนหลังชี้นกเป็นฟ้าชี้ฟ้าเป็นนกก็อะไรทะเลาะ ก, กันนี่แหละ ทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มันไม่ดีเหมือนเดิม ม, ม, ม, ม, ด ม, ด ม, มันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเพราะทุกอย่างมันจะต้องมุ่งไปสู่ความเสื่อมความสิ้นสุดนี่ท่านถึงสอนให้เราพิจารณาล่วงหน้าก่อนพิจารณาความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งที่เราได้มาว่ามันจะเสื่อมมันจะเสียมันจะเก่า มันจะเป็นสนิมใหม่ๆ ห, หน้าตาจุมจ๋มจิ๋มเก่าๆมันเป็นสนิมเนี่ยเอาให้ท่องบทนี้ไว้เรียกว่าอานิจังเอใหม่ๆ ห, หน้าตาจุมจ๋มจิ๋มเก่าๆแล้วเป็นสนิมเนะนี่ก็คือเครื่องมือที่จะทําให้เรามาหยุดความอยากต่างๆได้ต้องพิจารณาไตายรักนี่เองพิจารณา ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ดีที่งามที่สวยว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่สวยต่อไปและเวลาที่มันเปลี่ยนเป็นไม่ดีไม่สวยไม่งามมันก็จะให้ความทุกข์กับเราจนกระทั่งทนอยู่ด้วยกันไม่ได้มีการหย่าร้างกันอยู่เรื่อยๆแต่เวลาแต่งงานกันไม่เคยคิดถึงการหย่าร้าง เพราะความเพ้อเจ้อความเพ้อฝันว่าโอ้ยเราต้องรักกันไปจนวันตายไม่เคยคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอของคนมันเปลี่ยนได้นะวันนี้ดีได้พรุ่งนี้มันก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีได้แม้แต่ในตัวเราเองมันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเรามันก็เปลี่ยนสามวันดีสี่วันไข่มะบางวันก็ดีแสนดียิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคุยคนนั้นคนคนี้ดีไปหมด บางวันก็น่าเบึ่งตึงบางคนก็บางวันก็อารมณ์เสียมันเป็นเรื่องของจิตใจของทุกคนมันจึงทำให้คนที่สองคนอยู่ด้วยกันนี้จะให้มันสุขเหมือนวันที่เจอกันใหม่ๆวันแต่งงานนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอารมณ์มันหลังมันเปลี่ยนได้วันแต่งงานมันก็สดใสเบิกบานพอเดี๋ยวเจอหนี้สินเจอบินเจออะไรขึ้นมา เจอภาระขึ้นมาตั้งท้องมีลูกขึ้นมาต้องเลี้ยงลูกต้องหาเงินนี่อันนี้แหละพอมันเจอปัญหาขึ้นมาแล้วทีนี้อารมณ์สดใสเบิกบานเหมือนนอนวันแต่งงานนี้มันหายไปหมดนี่มีแต่ความตึงเครียดเลยนี่ก็จ้องจับผิดกันเธอใช้เงินมากเกินไปคุณใช้เงินมากเกินไปเถียงกันไปเถียงกันมา นี้ต้องนึกถึงภาพเหล่านี้เรียกว่าพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็พิจารณาหน้าตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเป็นของเรานี้มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียเขาไปจากไปจากกันตอนเป็นก็มีเยอะแยะยากันก็จากกันตอนเป็นจากกันตอนตายเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุตายไปะ ช่วงนี้อาจจะไปติดเชื้อโลกตายไปอันนี้พอพอจากกันตายกันจากกันก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอ่นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาที่สิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดความอยากทั้งสามได้เให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวมันต้องหมดและเวลามันหมดนี่มันจะทําให้เราทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปเอามันอย่าไปพึ่งมันอย่าไปใช้มันให้ความสุขกับเราทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายและตัวร่างกายเองเป็นเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังพิจารณาร่างกายของคนอื่นพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นอนิจจังแล้วพอปล่อยสิ่งต่างๆได้แล้วก็ต้องมาพิจารณาร่างกายต่อ ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนอแล้วจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน เ, เวลาจะเจ็บตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นต้องหาวิธีเลิกหาความสุขแบบนี้กันวิธีเลิกหาความสุขก็คือเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเลิกใช้ตาหูจมูกลิ้นกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขใช้ความสงบของใจนี้เป็นเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าแต่ความสุขของใจก็มีสองแบบแบบชั่วคราวกับแบบถาวรความสุขทางใจแบบชั่วคราวก็คือความสุขที่เราสร้างขึ้นมาด้วยสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็จะสร้างความสงบขึ้นมาแบบชั่วคราว เป็นรูปประชานกับอรูปประชานแต่พอสติเราหย่อนยานอ่อนกำลังลงฌานที่มีอยู่มันก็จะหายไปเพราะใจยังมีความอยากกามาตัญหาภาวะตัญหาที่จะคอยผลักดันให้ใจออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่อไปพอออกมาแล้วพอเริ่มทุกข์ก็กลับไปใหม่นั่งสมาธิใหม่เข้าไปใหม่ มันก็จะสลับเข้าสลับออกไปอย่างนี้ไม่ถาวร น, mm hmm. นี่เราต้องมาแปลงความสงบจากความสงบชั่วคราวนี้ให้เป็นความสงบแบบถาวรต่อไปหลังจากที่เราได้รูปฌปานแล้วรูปฌานนะ mm hmm. พอเวลาเราออกมานี่ mm hmm. เราจะต้องคอยรักษารูปฌานกับรูปฌานไม่ให้ถูกทำลาย mm hmm. ถ้ารักษาด้วยสตินี้มันยังป้องกันตัวที่จะมาทาลายไม่ได้ ตัวที่มาทำลายก็คือความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของเรานี่เองคือกามะตัญหาภาวตัญหาและวิภาวะตัญห า, ะะญหาที่เป็นตัวที่เราจะต้องคอยหยุดมันไม่ทำตามมันพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มหิวกาแฟเริ่มหิวขนมแลถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะรับประทานเพื่อร่างกายอย่ารับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะดื่มเพื่อร่างกายอย่าดิม แ้วถ้าจะดื่มเพื่อร่างกายก็ต้องดื่มเพื่อร่างกายจริงๆอย่าไปดื่มเพื่อความอยากด้วยดื่มเพื่อความอยากดื่มอย่างไรก็ยืมด้วยรถเครื่องดื่มที่มีรสมีกลิ่นมีสีนี่เองะเพราะนอกจากดื่มน้ํานี่น้ํานี่แหละเป็นความต้องการของร่างกายน้ํำเปล่าๆแต่ความต้องการของกิเลสปัญหาความอยากนี้มันต้องการกลิ่นใช่ไหมต้องการรสต้องการสี เห็นสีของกาแฟเห็นกลิ <eur Fab> <Yemen> ่นของกาแฟนี่ได้สัมผัสกับรสของกาแฟนี่มันเกิดความสุขขึ้นมาให้ดื่มน้ำเปล่ามันรู้สึกจืดชืดแต่มันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะถ้าเราต้องการจะกำจัดความอยากตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบที่เราที่เราได้จากการเจริญสตินี้ ให้ให้กลายเป็นความสงบแบบถาวรต้องคอยกาจัดการมตัญหาคอยกำจัดภาวะตัญหาคอยกาจัดวิภาวะตัญหาด้วยการพิจารณาไต่หลักอยู่เนื่อยด้วยการพิจารณามุมกลับเวลามันเห็นน่ากินก็ต้องมองตอนเวลาที่มันไม่น่ากินว่าเป็นอย่างไรเวลามันเห็นว่าสวยว่างามว่าหล่อก็ต้องมองเวลาที่มันไม่สวยไม่งามไม่หล่อว่าเป็นอย่างไร ยันดูตอนเป็นซากศพนี่หรือดูตอนที่เหลือแต่โครงกระดูกนะมันถ้นมันมองอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้ความอยากได้อยากเสพกามมันก็จะหายไปอ่นี่คือเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่ต้องเจริญหลังจากที่เราได้ฌานได้สมาธิก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเราจะ ไม่รู้จะเจริญปัญญาไปหาอะไรอเพราะว่าใจถ้ามันไม่มีความสุขจากสมาธิมันจะไม่ฟังเรื่องปัญญาหรอกมันก็จะพวดไปหากาแฟพวดไปหาขนมทันทีแต่ถ้ามีความสุขจากสมาธิแล้วเรามีการเปรียบเทียบเรารู้ว่าเวลาจิตสงบนี่มันมีความสุขดีกว่าความสุขที่จากการดื่มกาแฟกาดจากการกินขนมน เพราะเวลาเราออกจากสมาธิมาพอมันอยากจะดื่มกาแฟกินขนมเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันมหยุดมันไม่กี่ทีต่อไปความอยากมันก็หายไปเพราะมันเป็นเรื่องการติดนิสัยดีๆนี่เองเราเคยติดอะไรแล้วเราก็จะเข้าไปหามันเลยคนติดบุหรีน่นี่เดี๋ยวมันก็จะกลับไปหาบุหรี่คนติดสุราก็จะกลับไปหาสุรา คนติดกาแฟาก็จะกลับไปหากาแฟคนติดขนมก็จะกลับไปหาขนมแต่พอเราฝืนมันด้วยปัญญาเห็นว่า<ม>ดูวาลามันไม่น่ากินว่าเป็นยังไงดูความไม่เที่ยงของมันดูความสุขที่เราได้จากมันมันแค่ประเดียวประดาวแล้วเวลาที่เราอยากเสพแลวเราไม่ได้เสพนี่มันทุกข์ทรมานอย่างไรเราต้องดูคุณดูโทษของมัน แล้วมันจะทำให้เรานี้ฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้พอความอยากถูกเราฝืนบ่อยๆมันจะหมดกำลังไปพอหมดกำลังแล้วทีนี้มันไม่มีอะไรมาสร้างมาทำลายความสงบของใจอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องไปหากาแฟดื่มก็มีความสุขไม่ต้องไปหาขนมกินก็มีความสุขถ้าตาบไดเรายังต้องหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เราต้องใช้ปัญญาฝืนมันแต่เราจะฝืนมันได้ต่อเมื่อเรามีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วเท่านั้นถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีอุเบกขา<ม>อุเบกขาก็คือจะความวางเฉยของใจนี่เองถ้าใจวางเฉยไม่ได้เนี่ยคนที่เกิดความอยากนล่นนี่ดิ้นไหมอย่ามาอยู่ในบ้านนี้พออยากจะออกนอกบ้านนี้พอออกไม่ได้นี่ดิ้นเนไหมดิ้นออกมาปะท้วงกันติดป้องติดป้ายปะท้วงกัน ทั่วไปหมดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอุเบกขาแต่คนที่มีอุเบกขาก็พอทนได้อยังออกไม่ได้ก็อยู่ข้างในต่อไปได้ทําใจให้เป็นอุเบกขาถ้าอุเบกขาหายไประว่างออกมาจากสมาธิก็กลับเข้าไปเติมใหม่เท่านั้นเองแทนที่จะไปเติมกาแฟก็ไปเติมอุเบกขาดีกว่าแทนที่จะไปเติมขนมก็ไปเติมอุเบกขาดีกว่ากลับไปพุทโธพุทโธกลับไปนั่งดูลมหายใจเข้าออก เดี๋ยวจิตก็เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วความอยากที่จะไปดื่มกาแฟไปกินขนมไปออกไปข้างนอกก็จะหยุดไปมันจะสู้เบกขาไม่ได้นะทำอย่างนี้ไปไม่กี่ครั้งเดียวมันก็จะหมดกำลังไปแล้วต่อไปอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านเฉยๆไม่มีกาแฟเดื่มก็ไม่เดือดร้อนเนีย่ยไปดูในกุฏิเราไม่มีกาแฟให้ดื่มไม่มีขนมให้กิน ไม่มีไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆอยู่กับอุเบกขาไป mm. ถ้ามันดิ้นกับพุโทโธพุทโธไปดูลมไปดีกว่า mm. ถ้า ม, มันใจนิ่งสงบแป๊บเดียวมันก็หายอยาก mm. ทำนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเรา mm. เอาอุเบกขานี่แหละเป็นตัวให้ความสุขกับเรา mm. พอเราทำลายทาลายความอยากต่างๆที่มา รบกวนมาทําลายอุเบกขามาทําลายความสงบได้หมดต่อไปอุเบกขาก็จะตั้งอยู่อย่างถาวรไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเติมมันมันจะใจจะเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเหตุที่ทําให้อุเบกขาหายไปก็คือความอยากนี่พออยากแล้วใจมันก็เริ่มดิ้นทําทําให้อุเบกขาที่ได้มามันก็จะค่อยๆจางหายไป นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกทางต้องมาแก้ที่ต้นต่อของปัญหาไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุของปัญหาทุกวันนี้เราแก้ที่ปลายเหตุกันไม่มีเงินก็ไปหาเงินกันเพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวกันไปหาความสุขชนิดต่างๆกันไปซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรกัน พอร่างกายไม่สบายก็ไปหาหมอรักษาร่างกายให้หายเพื่อที่จะได้มาทํางานมาหาเงินต่อเราก็จะแก้ที่ปลายเหตุแต่ตัวต้นเหตุไม่ได้แก้คือความอยากเพราะการตอบสนองความอยากนี่ไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปลองสังเกตดูว่าอยากดื่มกาแฟครั้งนี้แล้วพอได้ดื่มแล้วความอยากดื่มกาแฟหายไปไหมหายไปช่วงที่เราดื่มเนี่ยช่วงนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากะ พอดื่มเข้าไปเต็มที่สองแก้วแล้วนี้ไม่อยากจะดื่มนะแต่เดี๋ยวทิ้งไว้สักห้าหกชั่วโมงเดี๋ยวความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยากวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ด้วยการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากถ้าจะฝืนได้ก็ต้องมีปัญญาแล้วก็มีสมาธิคือมีอุเบกขานี่เอง เพราะว่าช่วงที่เราใช้ปัญญาพิจารณาถ้าไม่มีอุเบกขามันไม่มีกระจิตกรจัยที่จะพิจารณามันจะคิดแต่ถึงแต่สิ่งที่เราอยากได้จนทนไม่ไหวแต่ถ้าเรามีอุเบกขานี่ใจเรายังเย็นยังพอนั่งไต่ตางด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าสิ่งที่เราไปหานี่มันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวมันหมดไปหรือมันนึกถึงภาพที่ไม่น่าดูของมันเวลามันเป็นมันเปลี่ยนไป ของอร่อยนี่พอมันเข้าไปในปากแล้วลองนึกถึงภาพมันดูถ้าไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็ลองคลายมันออกมาดูแล้วดูซิว่าจะตัดกลับเข้าไปกินใหม่ได้หรือเปล่าดูสภาพของสิ่งที่เราชอบดูในสภาพตอนที่มันไม่น่าดูน่าชมทุกอย่างมันมีเวลาที่มันจะไม่น่าดูน่าชมขึ้นมาทั้งนั้นของต่างๆที่เขาขายในร้านนี่เดือนที่ในที่สุดมันไปอยู่ที่ไหนกันนะ่ะ ไปดูที่กองขยะเหรือไปดูที่กองที่เขาเก็บของเก่ารีไซเคิลเนี่ยเยต็ไมไปหมดกองเท่าภูเขาเนแต่เวลาดูในร้าเนเราโอ้โหเห็นล้วอยากได้กันพอไปดูที่กองขยะนี้ไม่มีขยะได้กันนี่คือการมองด้วยปัญญามองให้รอบคอบมองทั้งเวลาที่มันเจริญและมองทั้งเวลาที่มันเสื่อมมองทั้งเวลาที่มันเกิด แล้วมองทั้งเวลาที่มันดับมองทั้งหน้าทั้งหลังมองทั้งข้างในมองทั้งข้างนอกในร่างกายนี้ก็ต้องมองทั้งข้างนอกแล้วก็ต้องมองเข้าไปข้างในข้างในก็คือใต้ผิวหนังไปเปิดหนังสือดูหนังสืออนามตมี่ที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาจะมีภาพวาดภาพถ่ายให้ดูภายในร่างกายนี้ที่ผิวหนังหุ้มห่ออยู่นี่มีอะไรบ้างที่มองไม่เห็นเพราะ มีผิวหนังนี่มาหุ้มหอ่อท่านผิวหนังกับเนื้อมาหุ้มหอ่อพอแกะเนื้อกะแกะผิวหนังออกแล้วนี่ก็จะเห็นโครงกระดูกตนะั้งแต่ศีรษะลงมาจนถึงเท้าแล้วก็เห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่สวยไม่งามเลยต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบครอบถ้าไม่ถ้าไม่เป็นปัญญามันจะเห็นเพียงด้านเดียว มันมักจะเห็นด้านสวยด้านงามด้านน่ารักน่าชมนะแต่มันจะไม่ยอมมองด้านที่ไม่น่ารักน่าชมมันก็เลยเกิดความหลงไหลเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆขึ้นมาแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านเสียทั้งด้านสุขทั้งด้านทุกข์ทั้งด้านเกิดทั้งด้านดับทั้งด้านเจริญและด้านเสื่อม แล้วมันจะทำให้ความอยากที่มีอยู่ในใจนี้มันหดหายไปแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความสงบของใจนี้ที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่จะไม่มีวันจากเราไปที่จะเป็นสมบัติของเราไปตลอดที่จะให้ความสุขให้ความอิ่มความพอกับเราไปตลอดที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายกันอีกต่อไปไม่ต้องมาเจอกับปัญหาต่างๆ อย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่ในขณะนี้อีกต่อไปถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้เรียนรู้เรื่องของความสุขทั้งสองรูปแบบนี่ความสุขบอมและความสุขจริงความสุขบลอมก็เป็นความสุขที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่อิ่มไม่พอส่วนความสุขจริงนี้เป็นความสุขที่จะ ให้ความอิ่มความพอกับใจกับของเราทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปไม่ต้องมามีปัญหาอีกต่อไปเพราะเมื่อไม่เพราะเมื่อไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ร่างกายนี้ที่จะต้องคอยเลี้ยงดูรักษาคุ้มครองปกป้องแล้วก็เป็นเครื่องมือใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขหาสิ่งต่างๆแต่สิ่งต่างๆให ถ้าหามาได้ก็ให้ความสุขชั่วคราวพอสูญเสียบไปก็กลายเป็นปัญหากลายเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแต่พอเราได้มาได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามหาความสุขแท้ดีกว่ามหาความสุขแท้ด้วยการทําใจให้สงบเบื้องต้นเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตสงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจมอง ด้านลบเพื่อที่จะทำให้ความอยากนั้นหายไปถ้ามองด้านบวกมันจะเกิดความอยากพอมองด้านลบมันก็จะทำให้ความอยากหายไปแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไปถ้าเราไม่ทำตามความอยากพอไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องพิจารณาปัญญาอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะใจจะสงบมีอุเบกขาตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังตลอดเวลานี่แหละ คือวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือต้องการต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายตามอำนาจของความอยากทั้งสามให้ยุติความอยากทั้งสามเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขจากความสงบของใจแล้วพอใจมีความสุขมีความสงบมีความอิ่มความพอใจก็จะไม่ต้องไปมีร่างกายต่อไปไม่ต้องเกิด เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีปัญหาตามมาอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องของปัญหาโลกแตกที่พวกเราเจอกันอยู่นี้ถ้าพวกเราแก้ปัญหาแบบที่พวกเราแก้กันอยู่นี้แก้กันไปจนวันตายก็ไม่มีวันหมดตายแล้วก็กลับมามามาแก้กันใหม่มามาสร้างกันใหม่มาแก้กันใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะรับรองได้ว่า เป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานาังอุปกาปฏีอิชิตังปะทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมนิจโต สัพเพปุเรนตุสังกะปายันโทปนาวะโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภว อภพิวาทานาสีริตะนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรรมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟสบุ๊กสี่ร้อยเก้า YouTube 239, วิทยุออนไลน์3 zoom 16, รวมทั้งสิ้น667ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กราบนมัส ก, การขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับผมกระผมมีอาชีพกรีดยางเมื่อฝนตกหลายวันจะมลีลูกน้ำอยู่ในจอกที่ใส่น้ำยางใบเล็กๆจำนวนมากแต่ผมจาเป็นต้องเททิ้งเพื่อเอาเก็บน้ำยางและมีลูกน้ำอยู่บางทีสัตว์ตัวเล็กมากๆมาติดในน้ำยางก็ตายด้วยครับผมจะบาปและผิดศีลไหมครับก็เอากระป๋องเรืออะไรไปเทใส่เอาน้าที่มีลูกน้าใส่ในกระป๋องก่อน แล้วค่อยกรีดทาไมเราเรามีกระป๋องใส่ยางได้ทําไมไม่มีกระป๋องใส่ลูกน้ําก็เท่านั้นเองถ้าเราไม่อยากจะให้มันตายเราก็เอาเอากระป๋องไปอีกใบหนึ่งแล้วก็เทน้ําที่มีลูกน้ําใส่กระป๋องไว้ใบหนึ่งแล้วเอาเทน้ํายาใส่น้ํายางใส่อีกกระป๋องหนึ่งเนื้อผ้าที่วัดบ่าบ้านตากเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยนี้ก็เหมือนกันเรา บางทีเรามีตุ่มน้ำไว้สำหรับล้ า, ลางเทา้าที่บางครั้งเผลอไปไม่ได้ปิดมิดชิดยุงเข้าไปไข่แล้วพอเห็นตัวลูกน้ำเราก็ต้องตักมันออกใส่กระป๋งไว้แล้วก็เอาไปเทในลำห้วยลำทานต่อไปก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความละเอียดอ่อนหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเรา ต้องการคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะับจากคุณจิรพัทค่ะผมได้พยายามฝึกสติสมาธิและพิจารณาอสุภกรรมฐานอยู่เนืองๆติดต่อกันมาหลายปีตามกำลังความเพียรและไม่เคยทิ้งและก็จะมีนิมิตถึงอสุภะอยู่เป็นประจำเช่นเห็นหญิงสาวรูปสวยหน้าตาดีมานอนตายหลังจากนั้นร่างของหญิงสาวก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง อุดบวมเป็นลำดับไปจนที่สุดคือถึงกับไปเป็นดินทั้งในฝันและในนิมิตนั้นตัวเองก็จะยืนยืนอยู่อยู่ไม่มีความเกรงกลัวหรือขยะแขยงและเมื่อตื่นขึ้นก็จะตั้งสติพยายามพิจารณาสิ่งที่เห็นในความฝันทำแบบนี้ทุกครั้งที่ฝันหรือมีนิมิตเกี่ยวกับอสุภะกรรมฐานตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะนาวิธีปฏิบัติ หรือประพฤติที่จะทำให้สติปัญญาพัฒนาสูงยิ่งขึ้นจนได้รู้แจ้งถึงธรรมด้วยครับก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนิมิต ท, ที่เราได้เห็นแล้วถ้าเราไม่เอามาพิจารณาต่อเดี๋ยวมันก็ลืมมันก็จางหายไปจากใจไนดะ้เห็นต้องเอามาพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับการสวดมนต์นี่ถ้าเราไม่สวดบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมได้ ถ้าเราได้นิมิตได้ภาพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทางปัญญาเช่นอสุภะซากศพความตายเราก็เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อที่ให้มันอยู่กับใจเราไปตลอดเพราะเวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่ตายพอคิดถึงความนึกถึงภาพความตายมันก็หยุดความอยากนั้นได้หรือเวล า, เาอยากให้ใครมาเป็นแฟน พอเห็นซากศพ ข, ของเขาเห็นเขากลายเป็นซากศพก็จะหยุดความอยากเขาได้เขามาเป็นแฟนได้ยังต้องเอามาเจริญบ่อยๆจงกระทั่งไม่หลงไม่ลืมสามารถเรียกเอามาใช้ได้ทันทีทันใดเวลาเกิดความอยากขึ้นมา คำถามต่อไปจากคุณสง่าค่ะกราบถามพระอาจารย์ครับว่าวัตถุมงคลต่างๆที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีศรัทธาหรือไม่อย่างไรผิดหรือไม่ที่มีความเชื่อว่าเป็นของดีช่วยคุ้มครองผู้ครอบครองได้ครับผิดมันเป็นมิจฉาศัทธาไม่ใช่เป็นศรัทธาที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่ได้ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด และผู้ที่จะสามารถสอนเราพาเราให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราซึ่งมันทำไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟทาง YouTube นะคะคนที่มีนิสัยชอบผู้ชายด้วยกันหรือเป็นเกย์ถ้าปฏิบัติธรรมในชาตินี้เอาแค่พระโสดาบันจะเป็นได้ไหมครับ เป็นผ้าหลานก็เป็นได้เรื่องการปฏิบัติมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องชอบเพศไหนหรือไม่ชอบเพศไหนแต่เวลาปฏิบัติมันก็ต้องตัดความชอบในเรื่องของการมีเพศแต่ถ้าระดับพระโสดาบันนี้ก็ยังไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นไปตัดการมีเพศเพียงแต่การพระโสดาบันนี้ตัดเรื่องของร่างกายคือความผูกพันกับร่างกายของตนเองได้ด้วยการพิจารณาเห็นว่าร่างกายและเวทนาคือความ ทางร่างกายนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจใจไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปก็เป็นโสดาบันได้คำถามต่อไปจากสิทธวัดป่าค่ะกราบถามพระอาจารย์ครับถ้าเราติดอยู่กับผู้รู้จนรู้สึกว่าผู้รู้เป็นเรานี่เราจะมีวิธีปล่อยวางผู้รู้นี้อย่างไรครับ ก็ให้รู้เฉยๆเราอย่าไปปรุงแต่งเราอย่าไปนึกคิดว่าผู้รู้เป็นเราก็รู้ก็เป็นผู้รู้เฉยๆเวลาเห็นอะไรก็ต้องเห็นก็รู้เฉยๆอย่าไปรู้แล้วเช่นเวลาไปเห็นใครก็ด่าเราก็โกรธขึ้นมาแสดงว่ามีตัวเราอยู่ในผู้รู้ถ้าไม่มีตัวเราอยู่ในผู้รู้เห็นอะไรก็รู้ไปเหมือนกล้องถ่ายรูปนี่ไหมเวลากล้องถ่ายรูปถ่ายคนยิ้มมันก็ไม่ได้ยิ้มตาม ถ่ายคนแยกเขี้ยวใส่มันมันก็ไม่ได้แยกเขี้ยวกับหรือกระจกเนี่ยกระจกเวลาเรายิ้มใส่มันมันก็ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือเป็นสีเขียวขึ้นมาเวลาเราแยากเขี้ยวใส่มันมันก็เป็นเหมือนกระจกเหมือนเดิมผู้รู้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปคิดว่าเรารู้ เขาด่าเราเขาว่าเราเขาชมเราพอเขาชมเราก็ดี อ, อกดีใจพอเขาด่าเร า, เาเออก็เสียอกเสียใจอันนี้เรียกว่าผู้รู้ที่มีตัวเราอยู่ด้วยถ้าเราแยกตัวตัวเราออกไปว่าตัวเราเป็นตัวปลอมไม่ใช่ของจริงตัวจริงคือตัวรู้เท่านั้นรู้เฉยๆถ้าเรามาฝึกใชใ้มันรู้เฉยๆก็ต้องฝึกสมาธิให้มันมีอุเบกขาเพราะมันมีอุเบกขามันก็จะรู้เฉยๆได้ แต่ถ้าไม่มีอุเบกขากิเลสมันก็จะเอาไปกินหมดมันก็จะเอาตัวตนออกไปรับทันทีไ ม, มไม่มีแล้วนะเมื่อกี้แม่ฉีชาวต่างประเทศเขาส่งข้อความม า, าเป็นมาจากอยของหลวงพี่บอลหลวงพี่บอลค่ะก็ปัญหาของฝรั่งผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เพราะเขาอยู่ในสังคมที่เขาถูกสอนให้ มีความศิรีภาพมีความเท่าเทียมกันในการกระทำอะไรต่างๆเห็นไหมผู้หญิงยันนี้เป็นนักมวยเป็นนักยกกล้ามเป็นได้ทุกอย่างเป็นทหารเป็นอะไรเป็นหมดมันเป็นมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นถูกสอนมาอย่างนี้ก็สามารถทุกคนทําได้ที่สารัฐที่ทางตะวันตกนี้ก็สาวทุกคนมีเหมือนกัน อยากจะทำอะไรนี่ทำได้เหมือนกันถึงแม้ว่าสรีละความเป็นจริงมันมันทำไม่ได้ก็พยายามฝืนมันนะผู้หญิงมางคนนี่ไปเพาะกายจนกึ่งร่างมีกล้ามเป็นนั้นม า, มากกว่ายิ่งผู้มากกว่าผู้ชายอยู่มันก็ทำได้แต่มันมันไม่มันมันไม่ยอมมองหลักความเป็นจริงของธรรมชาติว่าผู้หญิงก็มีหน้าที่หนึ่งผู้ชายก็มีหน้าที่หนึ่ง ในโลกของของของสมมุตินี่เขามีท ร, ร ม, มาเพื่อให้มัน อ, อยู่กันแบบต่อเนื่องมีการสืบพันมีการอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ผู้ชายเป็นอย่างหนึ่งทำให้ผู้หญิงเป็นอย่างหนึ่งแต่ทีนี้มันมันมีหลายอย่างที่มาทำให้มันเกิดทำให้มันไม่ยอมรับความจริงอันนี้เพราะคนบางคนมาเกิด ใจเป็นผู้หญิงแต่ไปได้ร่างกายของผู้ชายมันก็ทำให้มีปัญหาใจเป็นผู้หญิงแต่ร่างกายเป็นผู้ชายก็ใจเป็นผู้หญิงก็ต้องชอบผู้ชายแต่ร่างกายเป็นผู้ชายพอไปชอบผู้ชายทางสังคมเขาก็ตำหนิดตดเตียนเขาไม่ยอมรับขึ้นมาก็เลยทำให้มีปัญหาต่างๆต้องเรียกร้องสิทธิ์ว่าก็เขาจะชอบใครมันก็เรื่องของเขา แต่ทางสังคมก็ไม่ยอมรับเนี่ยอันนี้แหละคือเรื่องของการที่มีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบสุดตง่งเชื่อแน่ในเรื่องสิทธิศสรีภาพของบุคคลจนมองข้ามความเป็นจริงมองข้ามความเป็นจริงของของของชีวิตว่าชีวิตของเรานี้มีมีบทบาทมาให้เราเล่นไม่เหมือนกัน ผู้หญิงก็เล่นบทบาทหนึ่งผู้ชายก็เล่นบทบาทหนึ่งที่มันก็พูดยากพอไปสอนเขาก็หาว่าพอไปพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความเห็นเขาก็หาว่าเราต่อต้านเขาแล้วนี่เลยบางทีก็สอนยากสอนคนพวกนี้ยากเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไปตัดสรุ้ที่อเมริกาก็าคงจะไม่สอนใครก็ได้ข่าวนี้ไหมว่า พระฝรั่งที่ไปเผยแพร่ธรรมะที่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้กลับมาอยู่เมืองไทยหมดแล้วเขาสอนฝรั่งเขาสอนปวดหัวสอนคําเถียงคําอยมันไม่เหมือนสอนคนไทยอว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังฟังแล้วนํำมาไปปฏิบัติแล้วได้ผลอันนี้เขาแทนที่จะมาคิดว่ามาฟังคําสอนแล้วนำไ ป, ไปปฏิบัติเขาก็เอานําคําสอนมา โตแย่งกันถ้ามันขัดต่อความรู้สึกนึกคิดของเขามันก็เลยสอนยากมีคําถามข้อใหม่ไหมคาถามจากคุณเ็ญจวันค่ะกราบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อเรามีสติเราจะเห็นความไม่ดีของตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเราไม่ดีอย่างที่เราคิดเราควรรับมือกับสิ่งที่เห็นอย่างไรเจ้าคะหนูรู้สึกว่ามันทุกเจ้าค่ะก็เปลี่ยนสิพอเรารู้เราไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนมันะ เมือนเวลาเราแต่งหน้าเราเปลี่ยนมันม้ยคิ้วไม่ดีเราก็ไปทําคิ้วกันใช่ไหมจมูก <c oughs> จมูกไม่ดีก็ไปทําจมูกกันถ้าไปทําได้แล้วไอ้ที่ในใจเราทําไมเราเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนได้ชอบชอบโกหกก็เลิกเลิกโกหกเสียแล้วโกหกหมันน้อยหน่อยอชอบขโมยของเข้าอย่างนี้ก็เลิกขโมยมันเปลี่ยนได้ถ้าถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดี เราก็เปลี่ยนได้เราโชคดีถ้าอย่างน้อยเราเห็นบางคนไม่เห็นจะได้ซ้ำไปไม่เห็นความไม่ดีของตนเห็นแต่ความดีของตนก็เลยไม่เปลี่ยนเลยแต่นี่เราโชคดีเรามีสติพอที่จะเห็นพอมีเห็นแล้วเราก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นเพราะที่ตัวที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนได้ก็คือสตินี่แหละเพราะทุกครั้งเราจะทำอะไรไม่ดีเราก็หยุดมันด้วยสติได้คาถามต่อไปจะคุณสง่าคะ่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า ดูดวงชะตาไม่ทราบว่าดีหรือไม่ครับก็ต้องไปดูกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านี้ดีเพราะไม่มีใครดูแม่นเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไปดูกับคนอื่นก็เหมือนกับไปดูให้คนตาบอดดูให้เรานั่นแหละหมอดูหมอเดาอะไรอย่าเนี้ยไม่ไม่มีใครรู้จริงเท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าอยากจะดูหมอให้ไปหาหมอพุทธหมอธรรมหมอสงฆ์สามคนนี้จะบอกความจริงให้กับเราอนาคตของเราว่าเป็นอย่างไง ไม่มีนะแต่เราก็ชอบไปฟังหมอที่เอาใจเราแทนที่จะเอาความจริงมาสอนเรากัไปฟังหมอเขาต้องการให้เราเป็นลูกค้าเราเขาก็ต้องมีของล่อเราจะบอกของที่เราชอบอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะหาว่าโกหกก็เลยต้องมีของไม่ดีนิดๆมาล่อใจโอ้เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรมีวิธีแก้ไปทาบุญก้าวัดเนี่ยหรือไปเปลี่ยนทรงผม หรือไปเปลี่ยนทิศทางบ้านบ้านหันหน้าต่างนี้คนจะหันไปทางตะวันตกถ้ามันอยู่ทางตะวันออกก็ปิดแล้ ว, <c oughs> ลวก็ไปเจาะด้านตะวันตกไปทำหน้าต่างอีกด้านหนึ่งเนี่ยนี่คือวิธีของหมอดูในการดึงดูดลูกค้าเขา้าใจไหม <c oughs> เขาไม่ได้เขาบอกปัญหาแล้วเขาก็มีวิธีแก้ปัญหาให้ด้วยก็เลยทาให้ลูกค้าติดไง เราลูกค้าว่าเอไปหาหมอแล้วสบายใจรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มีวิธีแก้ได้แต่ถ้าไปหาหมอจริงนี่ก็มีวิธีบอกความจริงแล้วก็มีวิธีแก้เหมือนกันแต่วิธีแก้นี้มันไม่ง่ายทั้งเองมันใช่ไม่ใช่แค่ไปปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ไปถวายสังฆทานก้าววัดแล้วมันจะแก้ได้เพราะวิธีที่จะแก้ปัญหาของเราที่แท้จริงอย่างที่เทศให้ฟังอันนี้ต้องไปบวชน่ะ ต้องไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเท่านั้นเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปหาหมอจริงกันไปหาหมอปลอมดีกว่าเพราะเราชอบความสุขปลอมหมอปลอมก็จะสอนให้เราหาความสุขปลอมต่อไปถ้าเราไปหาหมอจริงหมอจริง ก, ก็สอนให้เราเลิกหาความสุขปลอมแล้วก็ไปหาความสุขจริงกัน คำถามต่อไปจากอินบ็อกซ์ของคุณแจบค่ะทำงานมักจะมีคนเอาผลงานเราไปเป็นผลงานตลอดไม่เคยให้เครดิตหากเป็นเป้าหมายของเราคือการทำงานเพื่อมีเงินมาซื้อปัจจัยสี่เราควรปล่อยวางถือว่าเป็นทานคิดแบบนี้เป็นอุเบกขาไหมคะถ้าใจเราสบายมีความสุขก็เป็นอุเบกขาถ้าใจเราคิดแบบนี้แต่ยังหงุดหงิดยังไม่พอใจอยู่ก็ยังไม่เป็นอุเบกขา คำถามต่อไปจากคุณจอยค่ะเพื่อนของเพื่อนอกหักแล้วเขาคิดจะฆ่าตัวตายเราควรจะช่วยเขาอย่างไรดีคะก็สอนเขาสิบอกเขาว่าการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ใจมันไม่หมดไปจากการไปฆ่าตัวตายความทุกข์ใจมันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาฆ่าตัวตายนี้มันจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย พอสังเกตดูคนเราเวลาเจอความตายนี้เป็นไงรู้สึกไงทุกข์ไหมงั้นเวลาฆ่าตัวตายตอนคิดแต่มันไม่กมันไม่ทุกข์แต่พอฆ่าตัวตายจริงๆตอนที่กินยาเข้าไปแล้วเนี่ยที่มันพอมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนั่นมันจะทุกข์มากมันจะกลัวมากยิ่งกว่าตอนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วคือเหมือนกับว่าทางภาษาฝรั่งเขาว่ากระโดดออกจากจากกระทะไปลงไฟในเตาไฟนั่นเอง วิธีไม่ใช่หรือนีภาษาไทยก็หนีเสือปะเจละเเนะ่การข่าตัวตายนี้เป็นเหมือนกับการหนีเสือปะเจระเขวิธีที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ที่แท้จริงก็หัดอยู่กับเสือไปเถอเสือมันไม่กัดเราหรอกมันเพียงแต่ทำท่าทำทาง น, นั่นเองเพอเราหัดอยู่กับมันได้อยู่กับความทุกข์อยู่กับความสูญเสียได้ความทุกข์เดี๋ยวมันก็หายไปพอใจเรายอมรับกับ ความสูญเสียได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีได้มีเสียบ้างเป็นธรรมดาพอยอมรับความจริงท่านี้ใจก็หายทุกข์แล้วก็อยู่กับการสูญเสียได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เมื่อเสียไปแล้วตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราก็เริ่มต้นหาสิ่งที่เราอยากได้ใหม่ได้ก็เหมือนตอนเรามาเกิดใหม่ตอนเรามาเกิดใหม่ๆเราก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเราทาไมไม่ทุกข์ตอนนั้น ทำไมตอนนี้เราต้องทุกด้วยก็ถือว่าเรากลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ทั้นนี้ไปจุดที่เราเกิดใหม่ท่านนี้แต่ความอยากของเราอยากได้สิ่งที่เราเสียไปคืนมาแล้วไม่ได้มันก็เลยทําให้เราพานใหญ่โกรธตัวเองโกรธอะไรไปหมดจนกระทั่งทําให้เกิดความทุกข์ความเครียดจนกระทั่งไม่มีความสุขในตัวเองฉะนั้นต้องมาแก้ปัญหาด้วยการใช้สติใช้ปัญญานะเวลาเกิดความทุกข์อย่างนี้ต้องคิดให้เป็นนะ คิดว่ามันเป็นเหมือนรีสตาร์ทเหมือนไหมเครื่องเราเสียบางทีมันรวนเจอไวรัสเราทํายังไงเราก็กดปุ่มรีสตาร์ทใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแอปอะไรที่เราเคยใช้มันหายไปก็ไม่เป็นไรเราก็ลงมันใหม่เท่านั้นเองเราตอนนี้สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็เหมือนเราก็รีสตาร์ทชีวิตเราใหม่กดปุ่มรีสตาร์ทกลับไปที่ศูนย์แล้วก็เริ่มลงแอปใหม่หาแฟนใหม่หาเงินใหม่อะไรไป ก็ยังมีความสุขอยู่ได้ต่อไปเรื่องอะไรไปค่าตัวตายเรื่องอะไรไปทุกโทรศัพท์ทิ้งไปมันเสียใช่หไหมโทรศัพท์ยังใช้ได้ดีอยู่มันไม่มันไม่เสียตรงไหนมันเสียตรงที่แอปมันแอปเราเสียไปแอปเดียวแล้วคำถามต่อไปจะคุณประสิทธิ์ค่ะผมภาวนาว่างอยู่ครับจะสลับกับพุโทโธไปมาไปมาได้ไหมครับพระอาจารย์ ภ า, า, ว า, ว า, าวนาว่างนี่เขียนว่าภาวนาว่างอ๋ออยู่กับความว่างนะถ้าใจว่างไม่คิดปรุงแต่งก็อยู่กับความว่างไปถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธพุทโธหยุดความหยุดความคิดไปสลับกันไปได้เวลาไม่คิดก็ให้มีสติอยู่กับความว่างให้สักแต่ว่ารู้ไปพอมันเริ่มคิดปรุงแต่งก็ใช้พุทโธหยุดเหมืนันสลับกันไปได้คำถามต่อไปจากคุณวัชนาค่ะ ศาสราจารยนพระอาจารย์ขออธิบายการรู้ลมเข้าออกส่วนใหญ่จะรู้ก่อนว่าจะเข้าหรือออกผิดวิธีใช่ไหมครับในหลักของอานาปาก็ดูตามความเป็นจริงสิถ้ามันยังไม่เข้าก็อย่าเพิ่งไปดูว่ามันเข้าดูตามความจริงมันกําลังเข้าก็รู้ออกตอนนี้ลมกําลังเข้าตอนนี้ลมกําลังออกก็รู้ตามกําลังออกเท่านั้นเองเป้าหมายของการดูลมนี้ไม่มีอะไรมาก เป็นการหางานให้ใจทำเพราะถ้าใจไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามีงานให้มันทำมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เท่านั้นเองเช่นสมมติเราต้องทำบัญชีนี่เราจะไปคิดถึงแฟนคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ไหคิดได้ก็แบบนี้ไปคิดเนี่ยเราแต่ความจริงเราต้องทำงานแล้วก็อยู่กับงานของเราไปาการดูลมก็เป็นเหมือนการสร้างงานให้จิต เพื่อจิตจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณมีธรรมนาชีวิตค่ะกราบนมัสการค่ะขอถามว่าเราปฏิบัติธรรมเจริญสติแต่ยังอยู่ทางโลกแล้วสามีลูกๆ ก, ก็ไม่ปฏิบัติเราควรทําอย่างไรคะมันขัดกันค่ะไม่ขัดต่อ ก, การเจริญสติแล้วก็เจริญของเรารไปเพราะมันเรื่องของภายในใจของเราเราคอยควบคุมความคิดของเราให้หยุดคิดให้คิดให้น้อยลงไป ให้ใจเราว่างเท่านั้นเองไม่ได้ขาดกันเราก็ดาเนินชีวิตควบคู่ไปกับเขาต่อไปได้ไปทํไรก็ไปกับเขาไปกินข้าวก็ไปกินด้วยกันไปดูหนังก็ไปดูหนังด้วยกันถ้าตอนที่ไปทํากิจกรรมกับเขาทําควบคุมใจเจริญสติไม่ได้ก็พักไว้ก่อนคิดว่านี่เป็นงานส่วนตัวเรามีหน้าที่หลายหน้าที่หน้าที่ต่อตัวเราเองหน้าที่ต่อผู้อื่น ในเมื่อเราต้องทำหน้าที่ต่อผู้อื่นเราก็ต้องหยุดหน้าที่ส่วนตัวของเราไว้ก่อนตอนนั้นเราก็หยุดเจริญสติไปก่อนก็ไปคุยกับเขาไปเล่นกับเขาไปทำอะไรกับเขาไปแล้วพอเราไม่ต้องทำหน้าที่นั้นเราก็กลับมาทำหน้าที่ของเราต่อสลับกันไปได้คาถามต่อไปจากคุณนรินทร์ค่ะอาการแพนิค ก, กำเริบบ่อยๆค่ะมันทรมานมากเหมือนสติจะแตกให้ได้เลยควรทาอย่างไรคะ เรามีสติน้อยมันถึงเกิดอาการนี้ขึ้นมาจิตไม่มีความมั่นคงอองัอ้นเราต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นมันพุทโธพุทโธอยู่เลยพอ เ, เริ่มรู้สึกมีอาการจะแพ้นี่ก็ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วพุทโธจะดึงสติให้กลับมาจะทำให้เราเฉยได้คำถามต่อไปจากคุณนํำจิตค่ะทางยูทูบค่ะช่วงนี้อากาศร้อนทำให้นั่งสมาธิ ได้สงบลึกยากใช้วิธีเจริญสติแทนไปก่อนจะได้ไหมคะหรือควรปรับปรุงอย่างไรคะได้ถ้านั่งไม่ได้ก็เดินก็ได้ถ้านั่งแล้วมันร้อนก็เดินจงกรมเดินไปเจริญสตินักษาใจแล้วรอช่วงที่อากาศมันเย็นแล้ว็ให้เ ข, า, เ ข, า, เขามานั่งสมาธิต่ตอคำถามต่อไปจากคุณอีซี่อุ๋ยคะ่ะกราบพระอาจารย์ครับ ตอนเด็กๆ เ, เคยนั่งสมาธิแบบบังคับให้ตัวเองไม่คิดอะไรได้แล้วก็สามารถเข้าขู่สู่ความสงบได้ทุกครั้งแต่ปัจจุบันทําไม่ค่อยได้เลยใช้บริกรรมพุทโธก็ไม่ได้ความสงบตอนนี้รู้สึกสับสนครับเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากสติของเรามันอ่อนกําลังลงเมื่อก่อนเรามีสติ ด, ดีสั่งให้หยุดคิดได้สั่งให้จิตว่างได้ตอนนี้ไม่มีเราก็ต้องมาเสริมสติใหม่ ถ้าใช้พุโทโธแล้วมันไม่สงบก็อาจจะไม่ถูกก็ลองใช้ดูลมหายใจแทนถ้าเรานั่งถ้าเราเคลื่อนไหวก็ดูร่างกายแทนดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทําของร่างกายแทนเพราะการบริกรรมนี้มันก็ต้องใช้ความคิดนแต่การดูเฉยๆนี่มันไม่ต้องใช้ความคิดงั้นก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีดูถ้าพุโทโธแล้วไม่สงบก็ลองใช้ถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้า ถ้าเดินยืนทำอะไรต่างๆก็ดูร่างกายไปแทนคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเคยได้ฟังหลวงพ่อเทศว่าบารมีม า, บมบารบอกมีบารมีบอกเกิดยิ่งลูกเดินเข้ามาทางยิ่งลูกยิ่งเดินเข้ามาทางธรรมลูกก็ยิ่งเจออุปสรรคจนบางทีรู้สึกท้อ ขอกราบขอบารมีหลวงพ่อช่วยแนะนําทางให้ลูกเดินหน้าสู้กับปัญหาและอุปสรรคด้วยเจ้าค่ะลูกจะปฏิบ uh ัติตามคําสั่งสอนตามสติตามกําลังเจ้าค่ะก็บางทีเราไปไปเจอมารที่มันมากกว่าที่เราจะรับได้เราก็ต้องถอยให้ก่อนไม่ใช่จะลุยเข้าไปข้างหน้าอย่างเดียวบางเวลาถ้ากําลังเรามีไม่พอที่จะไปสู้กับมารเราก็ต้องรู้จักหลีกรู้จักหลบบ้าง กลับไปสร้างกำลังไว้ก่อนสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนแล้วเวลาไปเจอมารจะได้สู้กับมันได้เพราะั้นการการมีมารนี่เป็นการกระตุ้นให้เราต้องใช้สติใช้ปัญญาแต่เมื่อไปเจอมารตัวที่ใหญ่กว่าหรือว่าสติปัญญาเรากำลังยังไม่พอเราก็อย่าเพิ่งไปเจอมันเหมือนกันักมวยเนี่ยอย่าไปชกข้ามรุ่นถ้ารู้ว่า ขึ้นไปข้ามรุ่นแล้วโดนน็อกนี่ก็อย่าเพิ่งไปข้ามรุ่นเอารุ่นของเราก่อนเผ็ซ้อมให้ดีก่อนจนเราเป็นแชมป์รุ่นของเราแล้วทีนี้มั่นใจว่าข้ามรุ่นได้แล้วค่อยข้ามรุ่นต่อไปเฮ้ยยังถ้าบารมีเรายังไม่พอเราก็ต้องเติมบารมีไปพางๆก่อนอย่าไปสู้กับมารตัวที่มันเหนือกว่าบารมีของเรา<ม>ไปปีกไว้เว่อก่อนไปอยู่คนเดียวก่อนอย่าไปอยู่กับคนนั่นคนนี้ เขาอยู่แล้วเดี๋ยวเจอมารตอนนี้ต้องถอยก่อนแพ้เป็นพระชนะเป็นมารก่อนต้องยอมแพ้มารก่อนถ้าบา ร, รมีเรายังไม่ถึงเราอย่าไปอย่าไปสู้กับมารเราต้องไปปีกวิเวกไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาพอมีปัญญามีสติแล้วทีนี้อยากจะทดสอบจิตใจก็ก็ไปหามารดูซิว่าตัวที่เราเคยแพ้ตอนนี้เราสู้มันได้ไหรือไม่ ชนะมันได้หรือไม่นี่คือการปฏิบัติต้องรู้กําลังรู้เขารู้เราด้วยหรือว่ากําลังของเรามีเท่าไหร่กําลังของเขามีเท่าไหร่จะได้รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอย่างไรอืถ้าเรามีมากกว่าเราไปสู้กับมารตัวเล็กมันก็ไม่สนุกเพราะมันมันไม่รู้สึกเวลาชนะมารตัวเล็กใจมันไม่มีความรู้สึกแตกต่างอะไรแต่เวลาไปชนะมารตัวใหญ่นี่มันจะมีความรู้สึกที่แตกต่าง ทำให้เขารู้สึกใจเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นฉะนันเราก็ต้องรู้เขารู้เราด้วยรู้กําลังเขารู้กําลังเรารู้ว่าตัวไหนคนจะสู้ตัวไหนยังไม่ควรสู้ ต, ต้องปฏิบัติไปต้องต้องดูไปถ้าปฏิบัติแล้วดูสังเกตดูมันจะรู้เองของพวกนี้มบอกกันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของภายในใจนบอกได้แบบคร่าวๆอย่างนี้เท่านั้น คำถามค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับบางครั้งอยู่ดีๆจิตก็คิดอกุศลขึ้นมาเองต่อครูบาอาจารย์โดยไม่ตั้งใจและไม่ได้เจตนาคิดที่ไม่ดีอย่างแน่นอนแต่สามารถรู้ทันทุกทีทุกครั้งที่เกิดขึ้นและกลับมามีสติได้ทัน ขอกราบยังถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นอกุศลกรรมหรือเปล่าครับและควรทําอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นอีกในอนาคตครับหรือใช้วิธีรู้ทันที่จิตเผลอไปคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมครับถ้ารู้ทันแล้วมันหายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ารู้ทันแล้วมันยังกลับมาอยู่เรื่อยๆก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษบ้างทุกครั้งที่ประมาทครูบาอาจารย์ก็ส่งเงินไปถวายท่านส่งเงินไปถวายท่านด้วย เดี๋ยวพอเง้นพอมันเริ่มเข้าเนื้อแล้วพอเงินต้องเสียเงินแล้วมันก็อาจจะคิดกูไม่ไปคิดประมาทท่านดีกว่าต้องมีการลงโทษกันคนเขาถึงมีคุกมีตารางไงไม่งั้นก็จะมีไว้ทําไมมีเพื่อให้มันเข็ดหลามใช่ไหมถ้าทําผิดแล้วไม่ถูกจับลงโทษมันก็ทํากันได้สบายทํากันอยู่เรื่อยๆพอทําแล้วรู้ว่ต้องถูกลงโทษคราวต่อไปมันก็ต้องไม่เอาดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณตุ๋ยค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับพระอระหันต์ท่านละสังโยตเบื้องสูงห้าตัวนั้นตัวอรูปฌานพระท่านต้องได้อรูปฌานก่อนไหมครับถึงจะละได้หรือไม่จําเป็นครับ อ, อันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่มันอาจจะบางท่านอาจจะถ้าท่านติดรูปฌปานท่านก็ต้องละอรูร ป, ประชฌานถ้าท่านติดอรูปฌานท่านก็ต้องละอรูปฌาน ถ้าท่านไม่ติดถ้าไม่มีอรูปปัจจานท่านได้แค่รูปปัจจานท่านก็ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องอรูปปัจจานนฉะนั้นทางยศเบื้องบนนี้มันอาจจะเป็นแบบอา่าแล้วแต่บุคคลในบางเรื่องบางอย่างที่ต้องละบางคนไม่มีอัตตาตัวตนไม่ถือตัวก็ไม่ต้องละตัวตนนะถ้ายังมีก็ต้องละฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็น อเป็นข้อสอบที่เราเลือกได้บางออปชัน Option. ข้อนี้เราตอบได้แล้วหรือเราไม่มีปัญหากับข้อนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่ข้อนี้เรายังมีปัญหาอยู่เราก็ต้องทําข้อนี้ต่อไปเท่านั้นเองหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วยัง <B> dachte, โอเคก็พอสมควกรก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติ